น, นี่ก็เป็นวันเข้าวพรรษาจริงๆยังไม่ถึงข้ามวันนะอันนี้ก็ยังยังไม่ถือเป็นวันเข้าวพรรษาทีเดียวต้องรอสว่างก่อนสว่างก็แปลว่ า, าเทศการเข้าวพรรษาเริ่มต้นขึ้นเ <c oughs> ทศการเข้าวพรรษาก็สําหรับ ชาวพุทธนะมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนพัฒนาขัดเกลวนะตนเองหรือถ้าพูดง่ายคือเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดเทอมนะเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเขาก็เปิดเทอมเดือนสิงหาแต่เรา เปิดเทอมเร็วกว่าเป็นการมาเรียนเป็นการมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งนักเรียนนี่เขาก็ศึกษาด้วยการอ่านตำรับตำราแต่ว่าชาวพุทธเรานี่มาศึกษาด้วยการฝึกฝนกายและใจ คำว่าศึกษานี่ภาษาบาลีมันแปลว่าสิกขานะสิกขานี่ก็หมายถึงการฝึกฝนไม่ใช่ว่าไม่ใช่หมายถึงการเรียนแบบทั่วไปนะอย่างสิกขาบทเนี่ยสิกขาบทก็คือหรือที่แปลบทศึกษานี่ก็คือข้อปฏิบัติ สมภระวินัยแต่ละข้อแตล่ตละข้อเรียกว่าศิกษาบทมันแปลว่าก็แปลว่าข้อศึกษาแต่จริงจริงก็คือข้อปฏิบัตินั่นเองตายศิกษาหรือว่าศิกษาสามเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาศิกษา หรือว่าศึกษาของชาวพุทนี่มันไม่เหมือนกับศึกษาของคนทั่วไปเดี๋ยวนี้คนทั่วไปเนี่ยพูดมีการศึกษามากเนี่ยเดี๋วเราบพูดมีการศึกษามากนี่ก็หมายถึงคนที่เรียนเยอะเรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอก เ, เรียกว่าพูดมีการศึกษาแต่ว่านิสัยใจคอจะแย่ก็ได้จะเป็น คนที่โมโหร้ายเป็นคนที่เอาแต่เที่ยวเล่นนะติดเหล้าเมายาอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาหรือว่ามีศิกขาที่ดีนะสำหรับชาวพุทธนะ ชาพูดเรานี่สิกขาคนที่มีการศึกษามากเนี่ยก็คือผู้ที่มีกิริยามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงแม้ว่าจะไม่จบปริญญาตราีไม่จบอะไรเลยนะแต่ว่าถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงที่เราเป็นผู้นี่มีการศึกษา นะแล้วถ้าหากว่าพัฒนาตนจนหมดกิเลสนะอันนี้ไม่เรียกว่าผู้มีการศึกษาแล้วเราเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้วหรือว่าไม่ต้องศึกษาแล้วเรียกว่าอาเศขบุคคลอเศขบุคคนก็คือว่าพระอรหันต์นั่นเองคือจบกิจแล้ว ไม่มีความจําเป็นต้องศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาตนแล้วจบนะพวกเรานียังเป็นเสขาบุคคลอยู่นะก็คือว่ายังต้องศึกษาต่อไปอยังต้องศึกษาแม้แต่พระโสดาบันตะกิตานาคามีก็ยังือเป็นเสขาบุคคลนะออยังต้องศึกษาอยู่คือฝึกฝนะพัฒนา ลดลากิเลสจนไม่เหลือเลยนะถึงจะเรียกว่าจบการศึกษานะคราวนี้เราก็มานะเริ่มเริ่มต้นนะศึกษาธรรมะ ก, กันใหม่มาศึกษาด้วยการนะจเจริญทำให้มาก ศีลสมาธิปัญญานะหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามาลดละนะแล้วก็มาขัดเกลานะเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้ชีวิตจิตใจโปร่งเบาสบายและทำให้มีความสุขไกลจากความทุกข์นะ ศึกษาทั้งโลกนี่ศึกษาเพื่อที่จะได้มีเงินเดือนเยอะๆมีงานดีนะศึกษาเพื่อได้ไปเป็นไปรับราชการนะหรือว่าไปรรมมหากินแต่ว่าศึกษาของชาวพุทธเรานี่ศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์นะถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ให้ มีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงคนที่มีงานดีเงินดีมีชื่อเสียงก็ไม่เราจะไม่มีความทุกข์นะดาราเกาหลีเนี่ยโอ้ยรวยเป็นที่รู้จักก็ยังฆ่าตัวตายเลยเนะยเพราะมีความทุกข์มาก วันก่อนนี้นักร้องไทยนักดนตรีไทยคนหนึ่งมีชื่อเสียงก็ค่าตัวตายอายุเพิ่งสามสิบเองอันนี้เียว่าการศึกษาทางโลกมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้หมดทุกข์ได้แล้วก็การที่มีเงินมากมีชื่อเสียงมากก็ไม่ไแปลว่า แต่ไม่มีทุกข์นะจะเอาอะไรนะระหว่างมีเงินเยอะๆร่ํารวยมีชื่อเสียงนะแต่มีความทุกข์กับถึงแม้ไม่ร่ารวยไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าไม่มีความทุกข์นะเราอยากจะเลือกแบบไหนแต่คนบางคนก็ ยางคิดว่าเออนะรวยเนี่ยถึงจะดีมีชื่อเสียงถึงจะดีถึงแม้จะตายเร็วก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าให้บอกว่าโอ้ยต้องตายเพราะฆ่าตัวตายก็คงไม่เอาเหมือนกันนี่การมาการมาฝึกฝนของพวกเราเนี่ยทางพุทธศาสนานี่ก็ คือเอาช่วงเวลาสามเดือนนี่แหละนะว่าเป็นช่วงเวลาที่มาฝึกฝนพัฒนาตนขัดเกลาจะว่าเป็นช่วงพักกายพักใจก็ได้นะโดยพ่อสำหรับพ่อแม่ออกนะสนะารคดีว่าญาติโยมช่วงคำสานนีถ้าปฏิบัติตามตามธรรมเนียมนะก็คือการมาถือศีลโดยพ่อศีลแปด แล้วก็มาทำสมาธินะจะทำทุกวันศีลหรือว่าจะทำตลอดอันษานี่ก็ถือเป็นการพักกายพักใจนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่มาถ้าไม่ถือศีลแปดนี่มันก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจได้ง่ายนะเอาแค่กินข้าวเย็นนี่ก็ร่างกายมันก็ทำงานหนักเงินกันนะ กินข้าวเย็นเนี่ยบางคนกินถึงสองทุ่มสามทุ่มร่างกายมันก็เหนื่อยใช้พลังงานเยอะในการในการย่อยพวกที่เขาล้างพิษเนี่ยนะแค่ต้องวิธีการวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการล้างพิษคือการอดอาหารเพื่อให้เพื่อเก็บพลังงานเอาไว้ แทนที่จะใช้ในการย่อยก็ไปใช้ในการกาจัดสารพิษออกไปเพียงแค่การถือศีลนะข้อ6นะวิกาลโภชนานี้มันก็ช่วยให้ช่วยประหยัดพลังงานในร่างกายไปได้เยอะทำให้ไม่เหนื่อยนะในการกินเหนื่อยในการหา มันเหนื่อยงแต่หาแล้วล่ะหรือทำทำเสร็จแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บกวาดพวกนี้ทำไปไปบ่มันก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละนะแต่พองดอาหารมื้อเย็นไปได้วิการโภชนาเวลรมณีนีน่โอนะ้มันประหยัดพลังงานมันทำให้ไม่เหนื่อยแล้วยิ่งมีข้อต่อมานันจาคีตะวัธิตะวิสุกขทัศนา ไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเล่นไม่ต้องขับาลาหรือว่าร้องอันนี้ก็ทำให้ร่างกายมีกำลังวังชามากขึ้นเพราะว่าหลายคนนี่มันก็หมดนะหมดแรงไปกับการเที่ยวการเล่นเที่ยวเล่นร้องนะดึกดื่นเะดินนะเที่ยงคืนตีสองตีสามก็ยัง ก็ยังร้องเพลงคาราเกะก็ยังอยู่ในผับอยู่ในบารนะ์เต้นรำนี่พวกนี้มันอาจจะมีความสนุกนะแต่ว่าใจนี่มันเหนื่อยอากายนี่เหนื่อยที่ยิงใจก็เหนื่อยด้วยแล่ถ้าคิดให้ดีมันเหนื่อยตั้งแต่ตอนไปหาเงินมาเที่ยวมาเล่นแล้วจะเที่ยวเล่นต้องใช้เงิน ก็ต้องเหนื่อยการหาเงินมาอะพรหมจริยาก็เหมือนกันนะมันก็ประหยัดพลังงานไปได้เยอะนะไม่ต้องไปไปหลับนอนนะการที่ไปไปเสพเพศรถไปมีเพศสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกัน วิถีดูให้ดีนะการที่ถือสีนแปดนี่มันช่วยประหยัดพลังงานไปได้เยอะทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยยังไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นโอกาสที่ได้นะหยุดงานในะการหยุดงานมันก็ได้พักอยู่แล้วแต่หลายคนนี่พอหยุดงานมันก็ยังไม่ได้พักกายเท่าไหรนะ่เที่ยวเล่นเสพสุข นะอันนี้มันก็เหนื่อยบางทีเหนื่อยกับการทำงานซิอีกนะทการที่มาจาศีลเนี่ยนะมันถึงเรียกว่าเป็นการมาพักกายแล้วก็พักใจด้วยนะเพราะว่าเมื่อมาจําศีลที่วัดแล้วเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสมาภาวนา แล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับโลกภายนอกเพราะถ้ายังอยู่บ้านนะก็ จ, จะมีเรื่องอารมณงต่างมาทำให้กลุ่มใจแคนะ่อยู่บ้านเนี่ยมีคนมาพูดมาคุยมาเล่านะเอาปัญหามาหรือบางทีเราก็ไม่ไม่มีใครปัญหามให้เราเร า, เราต่างหาที่ไปเอาปัญหาต่างๆมาใส่ตัว ดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์แค่ฟังขางเดียวนี่ก็ทำให้เครียดได้บางทีก็นอนไม่หลับเพราะเครียดกับเหตุการณ์บ้านเมืองอนนี้เรียกว่าทั้งกายและใจก็ไม่ได้พักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการ ขาวษาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการฝึกฝนนะพัฒนาตนแล้วก็เป็นทั้งการพักกายพักใจด้วยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจกิเลสเท่านั้นแหละกิเลสมันไม่ชอบนะเพราะหากว่ามาลดละเลิกนะตาม ตามข้อปฏิบัติของศีลแปดเนี่ย <Okay. S 1> กิเลมันไม่ชอบเนพะ <Okay. S 1> กิเลมันมันอยากจะเสพลดอร่อยนะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ทางจิตใจไอ้นะที่เราทำไปทำไปมากมายนี่ บางทีก็ส่วนใหญ่ก็ทําไปตามกิเลสซะเยอะนะปนเปลือกกิเลสแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความสุขเลยอย่างพวกติดเหล้าติดยาพวกติดการพนันพวกเนี้ยนะตัวเจ้าของยังไม่มีความสุขนะแต่มันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้เพราะว่ากิเลสหนึ่งครอบงำแล้ว บังทีเขาเรียกว่าผีเข้าสิงนะผีการพันนันผีสุราอันนั้นแหละเป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของมารการมาจาสิ่เนี่ยนะมันมันไม่ถูกใจกิเลสนะแต่ว่ามันถูกธรรมะมันถูกต้องแต่กิเลสก็มีกำลังนะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะมาจำศีลจะมาฝึกฝนพัฒนาตนนะมันก็ต้องซั่ออ ก, กิเลสจะซั่ว ก, กิเลสได้เนี่ยมันก็ต้องมีความตั้งใจต้องมีกำลังตัวที่จะทำให้มีกําลังได้มีความตั้งใจแน่ๆเนี่ยก็คืออธิษฐานอธิษฐาน เป็นภาษาบาลีนะแปลว่าตั้งจิตแน่วแน่ตั้งจิตมั่นเทียทําความดีแต่ว่าอธิษฐานภาษาไทยมันเพี้ยนไปมันแปลว่าขอนะอธิษฐานต่อเทวดาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ร่ํารวยขอให้หายปวย่นะ ว, ย ว, ย ว, ยวยนะก็ให้รวยรวยรวยนะ อธิษฐานแบบไทยนี่มันไม่ต้องทำอะไรแค่ขอแล้วบางทีก็เป็นการสนองกิเลส ด, ด้วยนีอย่างขอให้รวยรวยรวยเนี่ยอธิษฐานเงนี้ไอ้รวยรวยนี่มันสนองอะไรนะมันสนองกิเลสนะ <c oughs> กิเลสเนี่ยมาอธิษฐานนะแต่ถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธ เป็นผู้ฝ่ายธทมเนี่ยก็จะอธิษฐานในภาษาบาลีก็แปลว่าตั้งใจมั่นที่จะทำความดีเวลาจะเราจะเข้าพรรษาไม่ว่าพระโยมเนี่ยเมื่อตั้งใจจะเข้าพรรษาเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนนะลดละกิเลส ข, ขัดเกานะจิตใจ มันก็ต้องมีการอธิษฐานนะเพื่อว่าจิตใจจะได้มั่นคงแน่วแน่ไม่ยอมแพ้กิเลสง่ายๆกิเลสมันชวนให้ไปเที่ยวกิเลสมันชวนให้ไปสนุกนะกิเลสมันชวนให้นะไปกินเหล้านะไปเล่นไพ่แต่ว่า ธรรมะเนี่ยนะไม่ยอมจะสู้กิเลยได้ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่แนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพระเข้าพรรษาเนี่ยก็ต้องมีอธิษฐานเวลาอธิษฐานภรรษาไม่ได้ขอโน่นขอนี่นะแต่ว่าตั้งแต่ว่าเป็นการตั้งใจแน่วแน่แ น, นะ ว่าจะอยู่จำพรรษาครบทนไต่มาศคําปฏิฐานของพระนิสสันสันนะอิมัสมิงอาวะเซอิมังเตมมาสังวะสังโอเปมนะิข้าพเจ้าจะติฐานให้ได้จํารรษาครบทวนไต่มาศนะอธิษฐานนี้เป็นบารมีอย่างหนึ่งนะบารมีสิบนะการมาจํารรษาเข้าพรรษาหรือว่าการมา การมาฝึกฝนพัฒนาตนในช่วงข้าบพรรษานี้ก็ถือเป็นการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีได้ทั้งทานศีลเนคขมมะทานศีลเนคขมมะแล้วก็ถ้าปฏิบัติดีๆก็ได้ปัญญาได้วิริยะความเพียรได้ขันติความอดทนได้สัจจะแล้วก็อธิษฐานด้วยอธิษฐานก็เป็นบารมีอย่างที่บอก แล้วก็ถ้าหากว่าฝึกให้จิตมีเมตตานะก็ได้เมตตาแล้วก็อุเบกขาพวกเรานะควรจะเสริมสร้างบา ร, รมีสิบให้เพิ่มพูนงอกงามนะและการมาจำารรษาการมาจำศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็จะทำให้บา ร, รมีสิบนะ่งอกงามมากขึ้น แต่ยง น, น้อยๆนี่ก็ได้อธิษฐานบา ร, รมีแล้วนะกับศีลบา ร, รมีแล้วก็เนคขมะบา ร, รมีเนะี่ยจำพรรษาเนี่ยยังตามๆได้เนะี่ยอาจจะได้ขันติแล้วก็วิริยะเพิ่มขึ้นมาด้วยและถ้ามาภาวนาก็ได้ปัญญาเมตตาอุเบกขานะวันการอธิษฐานบรรษานี้ก็ ก็อย่าให้เป็นเฉพาะพระนะพ่อแม่ออกญาติโยงก็ทิฏฐานด้วยว่าตั้งใจจะแน่ๆจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นจะมาจำศีลทุกศีลก็ได้หรือว่าจะเลิกเหล้าก็ได้หรือว่าจะเลิกจะงดนะการุบีงดเลิกนะ การพนันนะหรือว่าใครที่หมดเงินไปกับหวยมากๆนี่ก็ตั้งใจว่าพัรษานี้ก็จะเลิกเล่นหวยนะไม่ว่าใต้ดินบนดินนะใครที่บอกว่าโอ้ยพวกนี้ผ่านหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ลองดูว่ามีมีนิสัยที่ไม่ดีอย่างอื่นไหมที่มันทำให้กายและใจเหนื่อย เป็นบางคนติดกาแฟบางคนติดโทรทัศน์ติดละครบางคนติดเน็ตนะติดเฟซบุ๊กอ่บางคนชอบตื่นสายตั้งใจว่าพรรษานี่จะตื่นเช้านะอย่างน้อยๆ น, นะก็หกโมงเช้าเนี่ยคารวาทำได้น ะ, ะตีห้าบางคนก็จะบอกว่าจะขอพรรษานี่จะกินมังสวิรัต์นะเพราะว่า กินอาหารตามใจปากแล้วมันสุขภาพแย่ชอบกินเนื้อกินพวกนี้แล้วมันร่างกายแย่ความดันขึ้นโรคหัวใจถามหาก็บอกว่าจะกินกินเจกินมังสวิรัตนะอันนี้ก็ได้นะหรือบางคนตั้งใจว่าจะสวดมนตนะ์ก่อนนอนทุกคืน จะไม่ให้ขาดเลยบางคนก็จะบอกว่าจะนั่งสมาธิอย่างน้อยเวะลาสิบนาทีทุกวันนะหรือคนที่เคยนั่งสินาทีก็จะบอกว่าตั้งจใจวันนี้พรรษานี้จะนั่งให้ได้ยี่สิบหรือสาสิบนาทีทุกวันไม่ขาดวันไหนที่ไม่ไหวจริงๆนะก็ต้องไปถ้าวันไหนไม่ได้ทําก็วันรุ่งขึ้นก็ต้องไปเพิ่มนะ ไปชดเชยนะมันต้องทำอย่างนี้นะหรือว่าใครที่ไม่ได้ทำตามที่อธิษฐานไว้ก็ต้องอมอีมีบทลงโทษนะเช่นว่าอยากจะเลิกบุหรี่อยากจะเลิกกาแฟาเลิกไม่ได้นะก็ต้องจ่ายเงินนะ ใส่กระปุกออมสินห้าสิบาทร้อยบาทเนี่ยวันไหนทำไมแล้วก็ต้องนะใส่กระปุกไปเลยแล้วเงินที่เงินที่หยากระปุกที่ก็ไปบริจาคเมื่อออกพรรษาแล้วเนะี่ยอันนี้สาหรับค า, ารวานะต้องทําอย่างนี้พระก็ทําได้นะเพราะว่านอกจากมาที่าฐานพรรษาแล้วก็ตั้งใจว่าจะงดกาแฟนะหรือว่าจะตั้งใจจะภาวนานะอย่างน้อยนะ วันละสามชั่วโมงนจะเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่านั่งสมาธิให้ได้สามชั่วโมงหรือว่าใครตั้งใจว่าจะศึกษาพระไตรปิฎกในทั้งธรรมศาสตร์นี้อ่านให้ครบสี่สิบห้าเล่มก็ได้นะถ้าไม่ลดละสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามสร้างาหรือทำความดีเพิ่มขึ้น ให้ใช้ช่วงเวลาเข้าบรรษานี่แหละนะไม่ต้องมากทำแค่อย่างเดียวก็ได้อธิษฐานแค่อย่างเดียวที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเราหรือว่าอธิษฐานทำสิ่งดีๆนะแค่หนึ่งอย่างนะแ ต, แต่ให้ทาทุกวันอันนี้จะได้ผลมากทีเดียวนะเอาละเดี๋ยวภาคก็จะอธิษฐานพรรษานะ ญ า, าติโยงก็สาธุด้วยนะแล้วก็แล้วก็ตั้งใจว่าสำหรับตัวเองว่าเราจะทิษฐานอะไรในพรรษานี้นึกในใจคนเดียวก็ได้แล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ได้อเดียวพระเราก็หันหลังไปทางพุทโธนีน่าโม้พร้อมกันนะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพ ah ุทธัสสะนโมต ah ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ็ยจะทิพย์ฐานเรีงตัวนะ อิมัสม so so ิณอาวาสัยอิมังเตม g สังวาสังบุเพนิคือทยัมพีอิมัสมิณอวาสอิมังเตมาสังวังบุเพนิที่ยัมพีอิมัสมิณอวาสอิมังเตมาสังวังบุเพนิอิมัสมิณอวาสอิมังเตมาสังวังุเนิยัมอิมสิอวสอิมังเตมสังังุเนิ ตัดต er <formidable S 1> ียัตีมาเสนอเอามาซือยมนตมสัง <donors> ส <k suggestions> ังอุเเสนีนมสสเนตตยาสอนงเนสติังตนนงอหงเนสสเเสนอวอมตัติ คุยยังติดมาทาี้เาตมาีก็คุยังานี้เาไว้เองติดมาทางมาทางมาทงนีัอค สติย <ality> ังปิดอวสังมิ่ง e าวสังอิมังเตมั i ั a วสังอุเพมิสติยังปิดอวสังมิ่งอาวสอิมังตสัง สาธุสน MM ีาวสัอิมเตมาสงสังเกุิิสีอาวสอิมเตมาสงสังเกยตัิยงติิมาสอาวสอิมเตมาสงสังเกสาธุิมาสาวสอิมมาสงสสังเกสังสย เจนี่ดทียิมะตึงอวนีอีวันเจาสังว่าสังเจ้าวัเจ้าเนี่ดูที่ย่ำะตสันเ้ว่าังเจ้น กลับไปโยกยาสี